่วันนี้เป็นวันที่17กันยาพุทธศักราช2553เมื่อวานเป็นวันพระกิจกรรมของวันพระก็ยุ่งพอสมควรเพราะอาณาจัธาญาติโยมทั้งผู้ที่วัดต่างๆมาคาวะก็หลายวัดเมื่อวันตอนเย็นก็พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แต่เมื่อคืนเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าหลวงพ่อกลับขึ้นไปอยากทีนี่ดูนาะฏิกาสามทุ่มกว่านะเลิกกันพอเสร็จแล้วหลวงพ่อกกลับกุฏิพอกลับถึงกุฏิไม่นานอาการท้องท้องของหลวงพ่อไม่รู้จะไปมันทานอาหารอะไรอาหารเป็นพิษหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้ละหรือว่ายมมาทูดเขาส่งทหารมาบอกข่าวก็ไม่รู้เหมือนกันเถอะ เราแต่ว่าแต่ว่าอาหารเป็นพิษเพอเพอเราชะลาใจเกินไปโยมทูตเขาเลยส่งทหารมามาบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะหลวงพ่ออินนะแต่ตาม่จริงหลวงพ่ออินไม่ประมาทอยู่แล้วพูดแต่ละครั้งแต่ละวันไงพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะบอกคนอื่นยังบอกได้ตัวเองจะตั้งอยู่ในความประมาทได้ยังไงตัวเองก็ต้องเตรียม เตรียมพร้อมเหมือนกัน่ะถึงข่าวแล้วเหลือถึงข่าวแล้วก็ต้องรับตายตายก็ตายน่ะเกิดมาตายไงแต่เมื่อคืนเนี่ยพอกลับขึ้นไปจัดนู้นจัดนี้ดูนั่นดูนี้เอ๊ะทำไมท้องของเราจึงร้อนๆ อ, อ, อย่างนี้่ผิดปกติว่ะตามไม่จริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นาจะทํามาันก็เลยเหมือนกับท้องอะไรเหมือนกระลำไส้มันบิดตัวหน่อยเป็นคล้ายๆว่าเป็นแข็ง แต่ร้อนท้องด้วยเราเขาขึ้นไปนั่งพอนั่งสักพักหนึ่งโอ้ไม่ไหวทําไมมันท้องเป็นอย่างนี้วะแต่นั้นก็เลยเข้าห้องน้ําห้องน้ําหมูจ้ดเลยจ้เนี่ยพอโจ้ดท่า น, นี้เริ่มแลงออกท้เ น, นี้ยพอที่สองเน่ยจ้ากมาเนี่ยพอที่สีเป็นทางเลยจ้นี่ยโทโทษ ครั้งที่สี่ที่ห้าเนี่ยขาอ่อนเลยเียโ อ, โอ้หมดแรงเนี่ยเดูดูแล้วคนเราเนี่ยไก่งามพวกขนคนงามพวกขี้จริงๆงเหมือนนถ้าหมดขี้ในท้องโอ้หมดสภาพเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพอเขาไปครั้งที่สี่เท่านั้นนะหมดสภาพดูดูแล้วมันจะจะกั้นไม่อยู่อีกต่างหากเลเนี่ยโอ้มนขนาดนี้เลยล่ะกันั้นก็เลยบอกปราาปมาหาพระอรืพระ เอาเกือแร่ขึ้นไปหาหลวงพ่อหน่อยนะแต่ครูบาเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้อย่างว่าเนี่ยกว่าจะขึ้นไปรู้เกือบเป็นชั่วโมงนะหลวงพ่อก็ออกมาข้างนอกก็เลยมาทานยาที่เขาว่าเกี่ยวกับโรกท้องยาสมุนยาที่เขาแต่งน่ะแต่หมอแต่งนะวะเขามาหลวงพ่อเคยได้ฉันแล้วเคยได้ผลว่างั้นอะอะไรหยอดลงไปในใ น, น้ําแล้วก็ดื่มเข้าไปประมาณครึ่งแก้วนะ มันก็นเจ็นว่าลงไปในในท้องเออความหงดระดับความร้อนในท้องลงมากพอสมควรจากนั้นพอออกมาจากนั้นอาเจียนอลยอาเจียนโอ้โหอย่าพูดใครเหนื่อยเยนะจากนั้นก็ท้องรสึเป็นเป็นดานอย่างนั้นนะเลยนอนพักช่วระยะหนึ่งรู้สึกว่าอาการก็ดีขึ้นพอจากนั้นก็ ก็เลยเข้าไปพักจากนั้นก็หยุดเลยนะสรุปแล้วถ่ายประมาณหกครั้งอางเจียนครั้งแรงๆครั้งเดียวจากนั้นก็พักก็หลับแต่เมื่อเช้าเนี่ยเดินลงมาออกจากห้องมารู้สึกบ ว, วงเวงบวงเวงเหมือนกันนะมันมอเหมือนกับอะไรมันเหมือนอะไรเหมือนกับมันเพลียมันเหนื่อยงั้น่ะมันบวงเวงเหงมือนจะเป็นถ้ามันเป็นอาการจะเป็นลมแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก จะนั่งลงมาที่ศาลาพอเดินไปหน้าวัดโอ้ขาอ่อนเว้ยเดินไม่ไหวถ้าจะเดินไปถึงหมู่บ้านน่คงจะไม่รอบแน่ลักษณะนี้ก็เลยเลียกรถพอน้อยมากเลยขึ้นนั่งรถไปตามปกติหลวงพ่อจะนั่งจะเดินไปจนถึงหมู่บ้านแล้วก็กลับในพรรษาไม่นั่งรถเพราะว่าการบินบาทาพอของเรามีอยู่สี่สายมันจะไม่พร้อมกัน สายหนึ่งนังน่งรถสายหนึ่ง เ, เ, เร็วกว่าชาเดีวกว่าเร็วเพราะนั้นต่างคนต่างเดินไปด้วยกันนะกะกลับมาพร้อมกันมันก็ไม่จะไม่ได้คอยกันนานในพรรษาจะออกพรรษาแล้วเออไม่เป็นไรเพราะมาศาลาในพรรษาเรารับปิณฑบาตหน้าวัดปฏิบัติกันมาตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดเพราะฉะนั้นมื้อเช้านี่หลวงพ่อไม่ไหวแล้วก็เลยนั่งรถไปก่อนหมู่เพื่อนเลยขาหมดแรงเนี่ย ผมวพ่อเคยเป็นมาหลายครั้งเวลาท้องร่วงเนี่ยขาเนี่ยจะไปก่อนเพื่อนหมดกำลังขยับขยื่นไม่ได้หมดแรงมัอันนี้ขาวนี่ก็จะเข้าในลักษณะนั้นแหละแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็หายละละเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นถ้าว่าฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะดีขึ้นทาไ่ดีขึ้นต้องค่อยว่ากันไปอีกรักษายังไง แต่ทิ้งยังไงยังไงก็ให้เราคิดไว้อยู่ในใจอยู่เสมอเนี่ย น, นี่แหละคือยมมาโทส่งทหารมาเตือนพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะหลวงพ่ออินนะอยากมีแต่สอนหมู่พวกเพื่อนมิต่บอกกล่าวนี่แหละแกเจ็บตายต้องต้องมีทุกคนอายุของท่านเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ยมมาโทษท่านส่งทหารมาเขยา่าเขยา่าเตือนเตือนเหมือนนแต่นิดหน่อย ต่อไปครั้งต่อไปมันคงจะหนักหนาสาหัดขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละทุกคู่ทุกคนทุกรูปทุกนามเกิดมาแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมันธาตุขันร่างกายนี่ถึงจุดจบแน่เหมือนหลวงพ่อพูดย้ำบ่อยๆก็เหมือนกับเอาเรื่องความหายนะมาพูดมาคุยมาข่มกันแต่ไม่ใช่นะพวกเราจะ่เข้าใจอย่างนั้นอันนี้คือเจตนาดี หลวงพ่อเจ็ดปีเจตนาดีบอกกล่าวทั่วกันแต่หลวงพ่อเองก็อย่างที่ว่านะหลวงพ่อไม่ได้คิดสนุกนะไม่คิดว่าจะหาให้หายทีเดียวยมมาทูดเขาเตือนเราก็ต้องระวังอีกเหมือนกันระวังอย่างไงความระวังก็คือเตรียมพร้อมคุณงามความดีสิ่งไหนที่พวกเราควรจะตักตวงในขณะยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าว่าใจขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหละหมดแล้วหมด ที่จะตักตวงคุณงามความดีเพราะว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่เป็นชุมทางจะว่าสี่แผงก็แล้วห้าแผงหกแผงในสุดแท้แต่พร้อมที่จะไปได้ทุกอย่างถ้าเราทำกลมหนักอนันตริยกรรมเราก็เดินทางไปสู่ เ, เวจีมหานรกอนันตริยกรรมคืออะไรคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัน ทำร้ายพระพุทธเจ้ายัางพลโลหิตให้ห้ออย่างประเทวทาตเนาี่ยเ่งหินลงมาจากภูเขานะ่ยและกะจากนั้นก็สังกเพศยุโยงสงให้แตกกันอันนี้แปลว่าเราเดินทางเส้นหนึ่งไปสู่อเวจีมหานรกนะพอต่อมาเราทากรรมชั่วไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ฆ่าไม่เลือกทุบตีคนไม่เลือกไม่มีเมตตาปลาณีกับมนุษย์หน้าไหนทั้งหมดจากนั้นเนี่ย เราก็ไปอีกเส้นหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเอาเวจี v G, แต่ไปสูน่นรกมันมีหลายหลุมเลยเทนี่พอไปแล้วมันก็แยกซ้ายแยกขวาอีกแต่ออกจากทางแยกนึงเป็นทางเส้นเดียวแต่พอใกล้ๆแล้วเทนี่เหมือนกับกลางปลาอนะไรอย่างนั้นน่ะเราจะไปหลุมไหนเทนี่แล้วเขาจัดการให้เองไม่มีปัญหาหรอกไปถึงที่นั่นแนละ้วคุณจะอยู่หลุมไหนเบญญาณที่คุณทำนั่นนะอ่ะเขาจัดให้เองอันนี้ก็คือไปทางหนึ่งออกจากนั่นก่อน ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทําตัวไม่ดีเป็นเปรตพอออกจากชาตินี้ไปเขาค่อยเป็นอีกสายหนึ่งบางทีก็เป็นเปรตงูอย่างที่พระโมกคลาเห็นน่ะเห็นพระภิกษุตะกรในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะไปยุยงสงให้แตกกัน่ะพอมาชาตินี้เป็นเปรตอยู่ตีนเขายาวเฟ้ยเลยตัวเป็นงูหัวเป็น หมูแล้วก็อสุภะปฏิกูลพวกอุดจระเนี่ยไหลออกจากปากมีนอนโยเ ย, ยไปหมดนะอันนี้ประโมกขลาท่านเห็นอันนี้ก็คือปากไม่ดียุยงให้ผู้อื่นที่เขามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันให้แตกแยกสมัคคีกันอันนี้ก็คือพวกเปรตมีหลายจำพวกอีกเหมือนกันจำพวกหนึ่งไปเผาพระ ก, กดีของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็มาเป็นเปรต ยาวเป็นเป็ดงูยาวเดี๋ยวไฟลุกลามจากหางไปถึงหัวแล้วก็ลามจากหัวมาถึงหางบางทีก็ลามจากหางทั้งหัวด้วยมาชนกันที่ตรงกลางเนะี่ยอันนี้ก็คือพระโมกขราท่านเห็นมีมากอยู่ในพระไตรปิฎกนะอันนี้ก็คือสายทางหนึ่งไปสู่เปรตออกจากสายทางหนึ่งไปเป็นสัตว์ที่ไรฉันสัตว์ที่ไรฉันพวกเรานับๆเลยเดี๋ยมันมีกี่จําพวกพอออกไปจากเส้นทาง สายสัตว์ที่ได้ชาในขนาดเหมือนยิงกว่าก้างปลาอีกทีนี่สายเล็กสายน้อยแยกออกไปหมดเป็นช้างเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นอะไรทั้งหมดเลยอย่างพวกเราเห็นสัตว์เนี่ยรวนแล้วแต่ใช้ใช้กรรมของใครของเราทั้งหมดแต่ขนาดพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเวลาท่านตายเป็นท่านคิดห่วงพ่ายกีวรท่านยังตายเป็นเล่นแต่ท่านก็เดินอีกสายอีกเหมือนกัน ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเพางนะงั้นอ่ะเพียงแต่ห่วงหาอะไราในผ้าจีวรของตนเองเท่านั้นแนหะเพราะนั้นเวลาก่อนที่จะตายเนี่ยพวกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างไรนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราแหละ จ, จากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ ม, มีมีกี่อย่างเนีเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์นะทำไมหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตถ้าเราไปดูโรงพยาบาลเรายิ่งเห็น มากหลากหลายมนุษย์ใช้กรรมของแต่ละแต่ละคนแต่ละวิญญาณแต่ละเรื่องของเรานี่แหละเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์อีกเมื่อเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความยากความจนความการเป็นอยู่แปลกแตกต่างความมนุษย์ทั้งหลายอีกแต่บางคนกับร่ำรวยรวยเอารวยเอาเพราะอะไรอันนี้ก็บพระพุทธเจ้าท่านกขาบอกว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วให้ผลถ้ากรรมชั่วให้ผลก็ยัง ไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่กรรมดีให้ผลกั น, นั่นะอะไรก็ลำซ้ําไปหมดว่างั้นแหะถูกใจไปหมดนะเพราะเหตุไรเพราะกรรมดีให้ผลมีแต่ไปทางดีถ้ากรรมชั่วให้ผลกันเนี้มีแต่ทุกข์ยากลําบากสิ่งอนไรมาพบมาเจอก็ไม่ไม่เป็นที่พึงปรารถนานี่แหละอันนี้คือกรรมชั่วจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์เอกเป็นภูมมะภูมมะเทวดา ภูมิมากก็คือเป็นเทวดาไปอยู่ภูผาป่าไม้ไปอยู่ภูาามิใเขาบอกภูมิก็คือไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในที่เนินสูงไปอยู่ในหลองน้ำไปอยู่ในอะไรเนี่ยอันนี้ว่าภูมิมากเทวดารุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กจุดแทบบุญบารมีของเตตเทวดาแต่ละท่านอีกเหมือนกันอยู่ต้นไม้อันนี้ว่ารุกรุกขเทวดา อากาศจะธาตุเวทเวดาเทวดาอยู่ในอากาศท่านลองลอยเพราะท่านมีวิมานอยู่ในอากาศอันนี้อากาศจะธาตุเทวดาจากนั้นสวรรค์ชั้นจาตุมเลยทต้น เ, เป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งออกจากเมืองมนุษย์ไปแล้วเหมือนกับเราเป็นเมืองเป็นเมืองอย่างนั้นอันนี้คือจาตุมจากนั้นก่อนเนี่ยนะยามาตะวะตึงตะวะตึงสา ยามาตุสิตาสวรรค์หกชั้นจากนั้นก็ขึ้นไปอีกเป็นพรมมีพรมมีมากจากนั้นกับพรมของพระอนาคามีอีกพรมพระอนาคามีอีกห้าชั้นอวิหาอัฏฐปาทาุตสาทาุตเสียกนิฐาพรมพรมห้าชั้นเนี่ยไม่ลงมาเกิดอีกอันนี้คือพรมไม่มาเหยียบมนุษย์อีกไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกว่างั้นเถะ คือท่านตัดราคาโทสะได้เด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะคือความหลงในจิตในใจอย่างละเอียดไม่สามารถที่จะตัดโมหะความหลงได้ท่านก็ขึ้นไปบำเพ็ญอยู่สุทธวาฏห้าชั้นพอหลุดออกจากสุทธวาฏห้าชั้นแล้วก็เข้าสุนิพานนิพพานันปานางปรรมังสุญญ์ยังนิพพานังปรรมังสุขขังการนอกจากนั้นลงมาพระสกทาคามีจะต้องเกิดอีกชาติหนึ่ง ถ้าโสดาบันเป็นอริยะบุคคลก็จริงแต่ท่านจะต้องได้เกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจชาติคือคงจะเป็นลักษณะพระโสดาบันเกรด A เกรดบเกรด C อย่างนั้น่ะถ้าเราให้เราจัดนะเกรดเอ แ, แ, แค่ว่าท่านพร้อมที่จะไปแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นขั้นสูงกว่านั้นไปอีกแล้วไป A กับพซเกิดชาติเดียวนะโกรังโกระ เกิดสามชาติสตุกขคตะประมาต์เกิดเจ็ดชาติอันนี้คือพระโสดาบันอันนี้เข้าขัน้นแปลว่าขึ้นขัน้นขึ้นเกาะบันไดได้แล้วไม่หลุดแล้วไงเธอพร้อมที่จะเข้าสู่ น, นิพพานกันนอกจากนั้นลงมาเป็นโลกียะเนี่ยไม่แน่นอนทลนถึงจะเกิดเป็นมั่งมีสีสุดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินขนาดไหนก็เถอะ พร้อมที่จะมาเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้อีกเพราะเหอะไรเพราะว่ายังเกาะไม่ติดยังไม่มาตรฐานยังไม่เป็นอริยะยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายนี่แหละภพภูมิของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิญญาณทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระราชน์ตสาวกที่ท่านรู้ท่านเห็นมาและท่านบอกกล่าวอย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าพวกเราตั้งใจในความประมาทก็อย่างว่านะ่ะสิ่งที่รองรับชั้นที่รองรับพวกเรามีหลายระดับนะถ้าเราทํากรรมชั่วอนันต ร, ริยกรรมแล้วกันเนี่ยละเวจีมหานารกไม่เป็นอย่างอื่นฮะจากนั้นรองลงมาก็คือนรกหลุมต่างๆจากนั้นก็เปรตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเปรตแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละคณะที่พโมกคาลาท่านเห็นท่านยกตัวอย่างมาเพียงนิดหน่อยท่านเอง ที่ท่านเห็นมากมายมหาศาลนะอันนี้ท่านไม่นํามาพูดแต่ท่านพูดที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างเปตตวนี้เป็นควรจะเป็นตัวอย่างให้มนุษย์ได้ศึกษาแล้วก็จับมาแล้วก็เอามาบอกกล่าวจากนั้นกับสัตย์ที่รฉันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้เป็นรู ป, ปรธรรมจากนั้นก็เป็นนามรธรรมอีกก็คือเทวดาชั้นต่างๆเพราะนั้นลหลักๆของพระพุทธศาสนาทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไร พระพุธเจ้าพิสูจิ์อย่างไรพระอาหารหันตสาวกท่านพิสูจน์อย่างไรท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าไม่ใช่ผู้ที่จะได้เป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นเป็นพระอาหารหันเท่านั้นนะรู้ได้สมัยเป็นฤาษีชีภยัยท่านนั่งภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัตสนะเกิดฌานท่านก็ยัมองเห็นนลกเห็นสวรรค์ได้เห็นเปรตเห็นเรื่องต่างๆได้สรุปแล้วก็คือให้จิตเป็นหนึ่งซะก่อนจิตรวมซะก่อน เกิดญาณธาตุนะนี่แหละข้อพิสูจน์ไม่มีทางอื่นไม่ใช่ว่าเรียนมากๆรู้มากๆแล้วจะรู้ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางไม่มีไม่มีในตำราเล่มไหนว่างนันไงแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ยืน ย, ยันว่าคนที่เรียนเก่งๆแล้วเขารู้นรกเขารู้สวรรค์ก็รู้รู้ก็เพียงรู้ตามตำราทนเองไม่ได้รู้ออกมาจากใจจริงแบบรู้ๆเพอๆแล้วก็ยังไม่เชื่อ อ, อีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่ได้ปฏิบัติ มันไม่ได้ออกมาจากใจจริงถ้าออกมาจากใจจริงแล้วนั่นแหละรู้แบบฟังใจเออพบภูมิมันมีมันมีจริงๆแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเห็นแต่พบภูมิสัตว์ที่รชันกับพวกเราเห็นได้มากมายเลยบางสัตว์บางตัวเราเห็นแล้วก็ขยะขยแยงเทวดาเห็นมนุษย์ก็ขยะขยแยงอีกเหมือนกันพรมเห็นเทวดาก็ขยะขยแยงอีกมันมองต่นะําเหมือนกันมองต่ําลงไปนะมันจะเห็นพวกสัตว์ที่รชนันมองเปรตมองสัตว์นรก เขาก็ขยักขยแยงอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเมื่อคืนหลวงพ่อแยมมาโทษเขาเตือนมาแล้วแต่ตะก่อนเขาก็เตือนมาเป็นลําดับลําดับแต่เมื่อคืนในเตือนแรงหน่อยเพาะงั้นจนขาอ่อนปุกเปียกจะเดินไม่ได้เอาโยมมาโทษมันเตือนเขาเตือนเพราะงั้นเราจะไปโกรธให้ยมมาโทษไหมเขาไม่ควรจะโกรธให้ยมมาโทษเพราะเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทนะใ้สังสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทำให้มากจเจริญให้มากทำให้สม่าเสมอเท่านั้นละ่ะส่วนที่เราการเป็นอยู่ของพวกเราคบค้าสมาคมอบรมสั่งสอนการเป็นอยู่เราก็ทาให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกพร่อง พอเรามีอยู่มีกินมีธาตุมีขันมีร่างกายสังขารเราต้องสาะแสวงหาแต่ส่วนจิตใจนะั้นลึกๆแล้วให้คิดไว้เสมอว่าตายแน่นะตายแน่นะตายแน่น ะ, ะโลกนี้ไม่เที่ยงนะไม่ใช่โรคที่จะอยู่โชคฟ้าดินสลายนะใจนะอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะใจนะเฮ้อันนี้ก็คือทําความเข้าใจกับใจตนเองว่าส ก, กิดใจตัวเองไว้อยู่เสมอถ้าผู้นั้นคิดอย่างนั้น ไว้อยู่ในใจเสมอผู้นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าท่านมาตัดไว้อย่างนั้นตอนนี้ไปรับพรอนุงมทนาให้พร